ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณได้นำเสนอประวัติของพระพุทธเจ้าเราตอนเสด็จออกบวชทีนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องคำว่าบวชที่เราเรียกว่าบวชนั้นเป็นภาษาที่เรียกว่าภาษาแปลกนะคือว่าเอาประสักด์มาตั้งไว้ข้างหน้าแล้วทา ปะกับวัชธาต์เว้นบาศเว้นบาทเว้นทั่วก็เว้นบาททางกายทางวจจาทางใจมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีทางสังคมอย่างหนึ่งพื้นฐานความเชื่อที่สำคัญเนี่ยคือการมองชีวิตอยู่ในกระบวนการหมุนวนเป็นวัตจักรเพราะันทั้งหมดมันสั้นๆสากๆ เกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตาย อ, อีกอย่างเวเนียมีฝรั่งคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริการักษาโรคโดยการสะกดจิตคนพอสะกดแล้วมันผิดคาดนะมันลึกไปเรื่อยๆเลยจนผ่านวันก่อนนี้อ่านแค่หกสิบกว่าชาติเวนี้เพิ่มเป็นแปดสิบกว่าชาตินะก็สะแสดงว่าแนวสะกดจิตเนี่ยมันมัน เป็นแนวที่อาศัยคนอื่นเข้าช่วยแต่ว่าของพระพุทธศาสนานั้นมันพัฒนาจิตตัวเองการสะกดจิตที่จริงมันไม่ค่อยปฏิปะตะเคยอ่านว่ามันเหมือนกับฟิล์มสไลด์ก็ว่าไปเรื่อยแต่ก็เป็นตอนตอนแล้วก็ไม่ชัดเจนมาตอนนั้นเป็นอะไร นะมีพ่อแม่ชื่อยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงฐานะอาศีพเป็นยังไงมีความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเป็นยังไงนะแล้วก็ตายเมื่อไรตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมองต่อไปได้คือยังต้องศึกษาอีกเยอะจึงจะเกิดความรอบรู้จริงๆกับแตกฉานจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่า คนเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าย pues, UH, ังมีเหตุปัจจัยให้เกิดเกิดไปเรื่อยๆเกิดตายเกิดตายเกิดตายอย่าเรื่อยเรียกว่าจุติอุปบัติจุติจุติอุบัติจุติอุบัติอนเนี่ยเกิดตายเอ่อตายเกิดตายเกิดการบวชเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตเดิมที่มีอยู่ก่อนวันเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงในทรงแสดงประเภทของบุคคลในเกี่ยวกับการบวชเฉพาะเกี่ยวกับการบวชนะไว้เป็นสี่ประเภท สงใช้คำนี้คำมหาพิเนสกรมเนี่ยแต่ว่าเรียกว่าเนคข ม, ม, ม, ม, มะเป็นภาษาบาลีในเรียกขมะมหาพิเนสกรมมันเป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็ใช้ในกรณีของพระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้ในกรณีอื่นเพราะว่ามันออกเพื่อแสวงหาคุณดียิ่งใหญ่โดยสายการเทียบเคียงเราจะลองสังเกตว่าตีต่างว่านะ พระโพธิสัตว์เลือกเอาการเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิก็ยิ่งใหญ่นะฮะมีสมุดสาครทั้งสี่เป็นขอ้อเขตแล้วก็ครอบงราราชาทั้งหลายในส่วนต่างๆของโลกเอาไว้ได้ไปนั่นบาแต่ในสุดพราชาก็ต้องที่วงคตเพราะอายุไขของคนในยุคนั้นนั่นนะคมแค่ร้อยปีเท่านั้นเอง ถ้าเกินร้อยปีไปนะสงช้ยก็ว่าจะต้องตายเพราะชราแน่แท้แหลคือ ม, มันตายแน่แน่นะฮะแต่อายุไขในะยุเฉลี่ยเนี่ยมันก็มีแค่แค่ร้อยปีแส่เลยสิ่งองสเสด็จผนวดพระชนพรรษายี่สิบเก้าก็ตีเซว่าเจ็ดสิบเอ็ดปีนะฮะก็ที่วงค์หลักเพราะงั้นมันระยะมันสั้นนะ และประโยชน์ที่คนจะได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ทางวัตถุกรรมคือปลนปลื้ตัวเองสนุกสนานมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องอะไรแต่อะไรมากมายแก่ก่อนแต่ในที่สุดมันก็ไปลงที่ลงคือจบลงที่ความตายแล้วก็สมบัติทั้งหลายก็ต้องจิ้งไวในโลกผลงานเขาไม่เ จ, จ้าจักระพัดนั้นมันจะอยู่ในโลกได้ระยะหนึ่งแต่ในที่สุดก็จะถูกทํำลายไป ตัมธรรมดาของสังขารทั้งหลายเพราะงั้นคิดเบ็ดเสร็จเทียวเคียงแล้วเนี่ยจึงเลือกเอาอกทางที่เป็นนักบวชที่ทรงเปร่งวาจาภาสาทุโขวรัตชาบทนี้ดีนักแหลทีนี้พอ จ, ะจะัดสรเนี่ก็ทรงมาแยกคนประเภทนักบวชออกไปเหตุได้วบวชเหตุได้ดวบวชนะะคือว่า ประเภทคนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเรียกว่าออกจากออกเนี่ยแปลว่าออกจากความชั่วออกจากบาปออกจากโลโศนออกจากทุกข์แต่จริงๆมันต้องออกจากกิเลสคืออย่างอื่นมันเป็นผลถ้าเราออกจากกิเลสไม่ได้ความทุกข์เราก็ออกไม่ได้ดอกปัญหาก็ออกไม่ได้ภัยก็ออกไม่ได้โรคออกไม่ได้มันต้องออกจากกิเลสซะก่อนพอเะาออกจากกิเลสได้เนี่ยความทุกข์มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีอะไรภัยก็อย่างนั้นเองโรคมันก็อย่างนั้นเอง สมมติว่าเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ยอมสยบอยู่กับมันก็ไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรจะต้องไปหวาดกลัวพวกสิ่งเหล่านั้นกลัวมันก็เท่านั้นแหละไม่กลัวก็เท่านั้นแต่ว่าใจต้องสงบจากกิเลสเห็นไหมพอสงบจากกิเลสแล้วอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระพธธุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมันมันสักแต่ว่าสักแต่ว่าเกิดเท่านั้นเองไม่มีอะไร ใจจะไม่นาไปปรุงคิดคปรุงเพราะไม่มีกิเลสไปนเนตได้ปรุงคิดคิดปรุงเพราะงั้นคนคนประเภทหนึ่งก็เรียกกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกไม่แก่พวกที่ปล่อยกายปล่อยใจปัวพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุการมทั้งหลายเนี่ยซึ่งในที่สุดมันก็ผ่านการเวลาไปเรื่อยแล้วในที่สุดก็เช้าตายไปสารแก่นสารอะไรติชีวิตก็ไม่มี ตายมาแทนที่จะอาศัยอะไรเขาเยอะแยะไปหมดเลย๋ โ, ยโลกไม่ได้อาศัยประเทศชาติไปเนี่ยอาศัยมีที่เรียกร้องผลประโยชน์ผู้ต้องการเรียกร้องผลประโยชน์เนี่ยเมื่อวันก่อนได้ยินพวกที่เขาบุกทำเนียบนะ่ะเขาพูดว่านี่คือสิทธิของประชาชนที่จะบีบเอาจากรัฐบาลแปกนะฮะคือนี่คือปัญหาที่รัฐจะต้องทบทวน เราไม่ให้การศึกษาแก่ประชาชนประชาชนไม่เข้าใจสิทธิว่าสิทธิในคนเราที่จริงมาถูกจำกัดสิทธิเมื่อคุณยังไม่ได้ทาหน้าที่ยังเยาวชนเนี่ยเห็นไหมฮะถูกจากัดมาเรื่อยๆจนกว่าเธอจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็ให้สิทธิบางอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันชัดเจนนะว่าคุณใช้สิทธิได้แต่คุณต้องทำหน้าที่ รับการคัดเลือกทหารเป็นดลเนี่ยทีนี้พอเราทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสิทธิที่มันเกิดขึ้นในเจมจีบางคนต้องถามตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมาในชาติบ้านเมืองเนี่ยตัวเองได้ทําหน้าที่อะไรต่อชาติบ้านเมืองบ้างจึงเรียกร้องอากับชาติบ้านเมืองเรามาอาศัยชาติบ้านเมืองเขาเกิดเขาอยู่เ้าตายนะชาติบ้านเมืองไม่มีเราเขาก็อยู่ได้แต่ว่าเราไม่มีชาติบ้านเมืองนี่เราอยู่ไม่ได้อันนี้คือประเด็นหลัก ที่คนต้องมองให้ได้ไวสิทธิกับหน้าที่นี่มันต้องยึดโยงกันอยู่เราจะเรียกร้องสิทธิโดยไม่ทำหน้าที่หรือว่าถ้าทำหน้าที่แล้วนี่สิทธิจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติทีนี้บางครั้งบางคราวในข้อเรียกร้องอย่างย ก, ยกตัวอย่างเลยว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ภาษีไม่ได้เสียภาษีแก่ประเทศตัวเองเสียภาษีแก่ประเทศที่ตัวเองเป็นอาศัย แต่ในขณะที่เดียวกันก็เรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งเอ๊ะมันเรียกร้องได้ยังไงเพราะคุณไม่ทําหน้าที่เสียภาษีนั่นคือการเอาระเราเปรียบคนอื่นแล้วเอาเงินภาษีของคนอื่นเนี่ยไปจัดการเลือกตั้งให้แก่คนที่ไม่ได้เสียภาษีให้แก่แผ่นดินนั่นคืออะไรคือไม่ได้ออกจากกิเลสไม่ได้ออกจากอารมณ์ไม่ได้ออกจากความร้ยเหตุผลต่าง ตรงนี้มันก็ใช้ได้ตลอดไม่ได้เจาะจงใช้เฉพาะเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเลยเนี่ยพวกไม่ออกท้งกายท้งใจเนี่ยมันมเเรื่องมันไม่น่าจะเป็นปัญหาเราไม่ต้องเอาเรื่องลึกซึ้งมากๆอนะนะเอาเรื่องขนาดเนี่ยยาเสบติดเรื่องการเล่นการพนันพวกอบายามุกทั้งหลายเนี่ยนะอาบายมุกลองสังเกตวั็ น, นาการของโรคหลง หมายความมาคนเกิดความโรคความหลงแล้วก็ตกเป็นถาดของบาเยมุกทั้งนั้นนะก็ถูกผีเขาสิงเป็นกายเป็นคนผีสิงผีการพนันผีสุราผีเที่ยวกลางคืนผีตื่นการแลเล่นต่างๆแล้วจนถึงกับไม่คิดที่จะออกจากบาปเป็นประกอบทําชั่วทําผิดเนหนักจักกรรมในสารพัดที่จะทำแต่ไม่คิดเลิกละ ไม่คิดลดละจะสิ่งเหล่านั้นในแง่ของสังคมนะ่ยคนเราถงงดเว้นอบายามุกได้นะงดเป็นจากการละเมิดสิททั้งห้าประการได้บนาะงคนจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยแต่นี้ไม่ยอมออกสักอย่างหนะ่งก็จมปลักหลุมบ่อของอบายามุกอยู่ตัวนี้เลยกลายเป็นลูกตุ้มถ่วงสังคมไม่ว่าในส่วนใดของโลกก็ตา ไม่มีเนคขมะคือไม่มีการออกจากบาปออกจากอาุโสนออกจากความชั่วออกจากลุ่มบ่ของปัจมุกทั้งหลายาพวกประเภทที่สองก็เรียกว่ากายออกนะแต่ว่าใจไม่ได้ออกอันนี้เป็นปัญหาในภาคสนามคือภาคของการปฏิบัติแล้วลองสังเกตว่าในการปฏิบัติธรรมะบางอย่างเนะช่นโดยรูปแบบโดยรูปแบบแล้วเราก็ดูเหมือนจะ เป็นคนตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมาสํารวมกายสํารวมวาจาดีคือปัญหาเรื่องสีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราแต่ว่าใจละ่ะใจยังอาฆาตพยาบาทใจยังละโมบโลภมาใจยังคิดเบียดเบียนปตุสร้ายหึงหวงริษยาอาฆาตอยู่ไม่สงบจากทุกข์ถามว่าออกไล้ยังยังไม่ออก กายนะออกยิงโดยรูปแบบของความเป็นนักบวชของภิกษุสา ม, มัญเดชของฤาษีชีปลายทั้งหลายก็เป็นจริงนะฮะแต่ว่าใจไม่ได้เป็นถ้าดูง่ายๆก็คือกายอยู่วัดจะอยู่บ้านนะใจบางทีก็คิดมีครอบมีพั ว, ม, พวมีอะไรแต่ไรก็ยังนึกถึงท่านเล่าถึงมีพระรูปหนึ่งนานมาแล้วนะท่านก็เรียกว่าหลงชานหรือไปสาคัญผิด ว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์เราก็ประกาศทีนี้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่วัดเทพสิริสมเด็จพระโอตโคษาจารย์เนี่ยท่านมองท่านก็รู้นะฮะว่ามันไม่เป็นเดี๋ยวมันพิสูจน์ยังไงว่าไม่เป็นจะพิสูจน์ได้ยังไงเลยก็สั่งประอาจารย์มันให้ลงมาอปจาจย์มันก็ไปพักกุฏิเดียวกับพระท่านรุกนั่นแ่ละ แต่มาที่หลังก็พักชั้นล่างท่านรูปนั่งก็พักอยู่ชั้นบนโปรตกถึงตอนเย็นอาจารย์ก็นั่งสมาธิเลยดูจิตเกาะประกบจิตกอบท่านรูปนี้อยู่ท่านก็บนก็นั่งสมาธิด้วยตามไม่เจอเลยนะฮะไม่เจอเพราะว่าจิตมันใสจิตส ง, งบจิตมากแต่ในที่สุดพระอาานย์ข้างบนก็นอนหลับง่วงนอนนอนหลับเพรนนอนหลับจิตมันก็ ไม่ได้ถูกควบคุมอะไปเลยในีนี้ฝันไปเจอลูกเจอเมียอะไรแต่ไรทรัพย์สมบัติมากมาย ก, า, กายกองมันเพลินไปอาจารย์มั่นจนั่งสมาธิจนรุ่งแล้วก็ไปบิณฑบาตกลับมานั่งฉันรอยอยู่พอตกท่านองค์น้นขึนมาท่านก็นบอกเออเมื่อคืนเนี่ยปรหาหันมีลูกมีเมียไปเที่ยวกันสนุกนะก็ไปเปลยพูดเล่นเล่นไปเปย ตกใจเลยบอกเอ้ฝันก็ไม่ได้เลยครับท่านบอกไม่ได้นะอ้ น, นี่คือหลักจิตหลักจิตว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องเอานั่นลนะ่ะไม่ต้องเอาถึงระดับปริยรัตหรอกคนได้ฌานนะหลับด้วยสติที่ระดับฌานก็ไม่ฝันไม่ฝันลามกนะะไม่ฝันเรื่องเลวรแล้วก็คนที่หลับยังมีสติเนี่ยก็ไม่ได้ฝันเรื่องเลวร้าย นัภาษาไรกับคนระดับพระอาหารนะเพราะระดับพระโสดาบันก็ไม่ฝันไม่ฝันเลี่ยวได้แล้วคือว่าเอาเนี่ยต่ำกว่าพระโสดาบันเนี่ยคือระดับที่เรียกว่ามีสติเนี้เขาก็ไม่ฝันเลี่ยวได้แล้วท่านก็ตกใจนั่นจะเห็นว่ากายออกจริงแต่ว่าใจไม่ออกใจมันถูกกดไว้เฉยๆเราก็นึกว่าใจเราสงบเจ็น แต่บางทีเราไม่ดูนะอาหางการเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตามันเครื่องมากเลยอย่างพระบางทีสมรร์สูงเนี่ยอัตตามันสูงตามกันไปแทนที่จะสงบเย็นมันไม่น่าเคารพไม่น่ากราบไม่น่าไหว้ไม่น่าเคารพเรารู้สึกว่าใจท่านยังไม่ได้ออกออกแต่รูปแบบออกแต่รูปกายเท่านั้นเอง ที่จริงถ้าพูดถึงการเหนียวนึกตรึกนึกถึงกรรมมาคุณเนี่ยมันก็เป็นการเสพกรรมทางใจอย่างหนึ่งนะใจมันก็คุนใจไม่สงบใจก็สายไปด้วยแรงของราคะแรงโลรธพัและแต่เรื่องอะไรนะไอ น, นี่เป็นประเภทประเภทนักบวช ท, ทั้งหลายเนี่ยนักบวช เป็นปริศูนเป็นสามเณรอะไรก็ตามก็ดูที่ใจเราว่าใจเราออกจริงหรือเปล่าในกายเนี่ยออกแน่นะฮะทุกคนก็ยอมรับว่ากายเราออกแล้วแต่ว่าใจท่านออกไหมถ้าใจไม่ออกก็แสดงว่ายังไม่ออกประเภทที่สามนั้นเขาเรียกว่ากายไม่ออกฮะกายก็อยู่ที่บ้านเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แต่ใจมันออกใจไม่พูดบาปไม่ทาบาปไม่คิดบาป ไอเ น, นี่ยญาติโยมทั้งหลายน่าจะมองประเด็นตรงนี้แต่มาเป็นคนมันก็เห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะยุคสมัยตรงนี้ว่าจะเอาคนมาบวชกันมากๆคือคนบางควรจะพัฒนาก้าวหน้าไปเหมาะสมกับยุคสมัยประเด็นสําคัญว่าอย่าทําความชั่วเตอนนั้นเองคือเว้นบาปเพศมันเป็นยังไงก็ช่างมัน เป็นครว่าก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เรามีสิทธิทัดเทียมกันในการไปบัติธรรมมันเหมือนเหมือนกับเรามีสิทธิที่จะหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเนี่ยมันเป็นสิทธิของเราสิทธิโดยธรรมชาติขนาดดังการที่กายออกคือกายก็คงครุกครีอยู่กับเนี่ยพวกสิ่งต่างๆแต่ว่าใจไม่คล้องนเลยนะใจไม่คล้องไม่ติดสมมติว่าคนจะมาลักมาขโมยเข้าของเนี่ยท่านไม่ได้เดือดร้อนเลย พิวบาซิกาท่านหนึ่งไปนั่งฟังเทศอยู่แล้วก็โจรมันเจาะอุโมงค์เข้าไปคือครั้งสมบัติของทรามมันอยู่ใต้ดินเจาะอุโมงค์เข้าไปคนก็เห็นก็มาแจ้งให้ท่านฟังแต่ว่าโจรนก็สูงหัวหน้าโจนมาประกบแกไว้ด้วยเหมือนกันคือถ้าหากว่าแกลุกขึ้นกลับไปเนี่ยโจนมันจะฆ่าตาย ท่านไม่รู้หรอกแต่ท่านก็บอกว่าจัางเขาเชิดโจรเขาเอาอะไรก็ออกไปตัวอย่ามาทําโอกาสในการฟังธรรมก็อฉันจนนานๆจะได้ฟังธรรมะสักครั้งหนึ่งก็ขอฟังธรรมให้อิ่มเถอะครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามก็แล้วไม่ยอมไปจนโจรขนของออกมาแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ได้สแสดงความจะดมจะได้เลยท่านบอกก็อยากได้อะไรก็เอาไปเถอะเธอย่ า, ยามาทําลายโอกาสในการฟังธรรมะ ก, ก้อนฉัน ในสุดนายโจรต้องยอมเลยกราบลงแทบเท้าเลยขอขามาลาโทษแล้วก็ให้สั่งให้ขนทรัพย์สมบัติไปคืนในครั้งเขาแล้วก็เห็นว่าความดีภายในใจของนางมันดีจริงๆดีจริงๆก็ควรที่จะคืนสมบัติตอนนั้นแล้วเนี่ยตัวเองก็จะอยู่เลย พอใชา้ชีวิตแบบโจนเนี่ยมันมีแต่ปัญหามีแต่ความเดือดร้อนเพราะงั้นก็ชวนพระพวกกันบวชบวชในทำนักของพระโสนกุติกันนะคือพระเทระที่แสดงธรรมะได้ไพเรอบมากนั้นจะเห็นว่าจริงๆก็ตรงเนี้ยเราสามารถไปได้ถึงพระอนาคามีชาวบ้านทั่วไปเนี่ยสามัญชนทั่วไปเนี่ย สามารถประพฤติปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลเป็นมานาคามีได้จริงๆมันไม่เคยจําเป็นอะไรจะต้องบวชถ้าหากว่ายัางไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมที่จะบวชก็ไป่ต้องบวชก็บวชที่ใจนะฮะบวชใจอีกแนวสุดท้ายถ้าเป็นแนวอุดมคติเขาเรียกว่าบวชทั้งกายทั้งจิตอันนี้นี่แน่นอนอะ่ะก็มีอยู่คนสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือเป็นพระสามัญชนนี่แหละ แต่ว่าปฏิบัติพัฒนาตนเองจนไปบรรุมขคนนะเป็นพระอระหันต์อันนี้ต้องต้องเป็นพระอรหันต์เลยนะถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ถือว่ายังไม่ออกหมดอะ่ะยังคล้องติดอยู่ในโลกอย่างพระอนาคามีเนี่ยอย่างน้อยท่านก็ต้องเกิดในพรมโลกชั้นสุตาวะาอยู่อีกระยะหนึ่งเราแสดงว่ายังไม่หลุดพ้นจากสังสารทุกข์มันต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองจึงจะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ได้ ทีนี้อีกพวกหนึ่งก็คือท่านที่บรรลุมรรคผลเป็นพระหันคนชราวาดที่บรรลุมรรคผลเป็นพระหันเนี่ยก็มีคติเป็นสองอย่างท่านั่นเองแต่คนที่รู้ดีนะคือตัวท่านเองถ้าจะดูว่าอายุทั้งขาดได้อย่างหมดได้อย่างถ้าหมดท่านก็กราบทูลานิพานเลยอย่างท่านศิีหเสนา บ, บดีเนี่ยเ ป, เป็นเป็นเสนา บ, บดีในควันวชีนะฮะ ต่อมาเนี่ยท่านก็ได้ฟังเทศของพราคือมันเกิดสืบเรื่องมาจากท่านได้รับการเวรราชสมบัติเนี่ยให้ท่านครอบครองเจ็ดวันเป็นบาเหน็จความดีความชอบในฐานะที่ท่านไปปราบปัจจันทรชนบทซึ่งลุกฟื้ขึ้นมาได้ทีนี้ท่านก็ไปสนุกสนานเฉลิมฉลองดื่มกินกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีนางระบาไร่ราให้ดูเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่นางระบำคนนี้แกต้องการจะรำให้สวยอ่อนช้อยอะไรเนี่ยแกก็เลยไม่กินข้าวเพื่อให้ร่างกายมันอ่อนพอรำเสร็จแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็เป็นลมสลบตายไปเลยท่านช็อกตอนตายเนี่ยเราก็เศร้าโศกเสียกเสียใจไปเยอะพรเจ้าเสด็จไปโปรดแต่ว่าท่านมีพื้นดีนะฮะท่านมีพื้นดีของท่านก็เทศนาสั่งสอนชี้แจงอธิบายสัจธรรมแห่งชีวิตให้ฟัง ฟังแล้ท่านบนรรลุมรรคผลแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าชีวิตท่านก็ขาดมันนั้นเหมือกันเลยกราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานเลยไปนิพพานนะเขาเรียกนิพพานนะะทั้งที่จริงๆแล้วรูปร่างกายท่านยังเป็นคาวาตอยู่แต่ว่าใจท่านเป็นพระหมดแล้วทั้งกายทั้งใจนั้นก็คือจะอยู่ได้วันนั้นจะบวชวันนั้นหรือจะนิพพานวันนั้นทีนี้อย่างคนนิพพานในวันนั้นก็มีนะอย่างเช่นพระเขมีพระเขมาเทรีภิกษุณีเนี่ย เป็นมยัยศีก็พระเจ้าพิมพิสารไม่ยอมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะทั้งทั้งที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นอุปสมบทใกล้ชิดแล้วก็สร้างพระวิรุวันถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็ไปกลาบังคับโดยก็ให้กวีแต่งบรรเลงพันาน า, นาความงามของอุทยานเวรุฬห์มันงานเหมือนงานเหมือน ชะลอยมาจากสูงสวรรค์พูดแบบร้อนน่ยนะในสุดนางก็อยากจะโดแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็สั่งไว้ว่าต้องพยายามบีบให้มาเพาเราไปได้เจ้าไม้ได้ก็นํารถเลี้ยวเคี้ยวคดไปเรื่อยนะฮะแล้วก็นําเขาเฝ้าผู้ที่เจ้าไม่ยอมไม่ยอมนั่งอยืนเลยเพราะท่านยังกระด้างอยู่พระเจ้าประเทศสั่งสอนในฝฟังเกิดดื่มดำขึ้นมา บนรลุมักผลนะฮะแต่ตอนบรรุมักผลนี่นั่งเลยนั่งถวายบังคมเลยนั่นคือคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดารรมดาเนี่ยแต่ว่าบรรลุมักผลแล้วอายุท่านไม่สิทธก็ไปขออนุญาตพระเจากพิมพิสารคือพระุ้ทธเจ้าจรับสั่งบอกนะว่ากมาตัวนี้ไม่ใช่ผู้ที่ควรแก่การจะกรองเรือนแล้ว คนเช่นนี้ก็มีคติเป็นสองมาบ่าผิดจะเลือกเอาทางไหนแต่ก็บอกว่าเขาเลือกเอาทางให้อยู่ก็ในที่สุดก็ได้บวชเป็นภิกษณุณีก็บวชหลังจากพระนางมหาประชาบดีนะปรัเวลาเราเรียงในเอตระคะนี่เรียงท่านอันดับสองรองจากประมาหาประชาบดีนี่ก็คือออกทั้งสองอย่างเพราะในการจะเดินตามในที่จริงมัน เราก็หนึ่งก็คือกายออกแมใ้ใจยังไม่ออกก็าตามในะแนวหนึ่งทำไมความจะออกจากกิเลสออกจากความทุกข์ออกจากปัญหาต่างๆกิเลสยังไม่หมดาตามแล้วก็ปยายามเอาหรือย่างหนึ่งก็คืออยู่คารวะเนี่ยคลองเรือนนี่แหละแต่ว่าอยู่ในศินทธนธรรมตั้งมั่นในสินทธิธรรมไม่มีอะไรหรอกจับประเด็นกุศลกับบทสิษย์ไได้ก็พอแล้วอากแน่นมั่นคงอนะจะเรินรุ่งเรืองด้วยสิทธนธรรมอีกมากมายแล้ว ทีนี้อีกพวกหนึ่งเนี่ยคือออกหมดทั้งกายทั้งใจก็เป็นความฝันไว้เป็นจินตนาการไว้เป็นลมคติที่จะก้าวไปในโอกาสหน้าทัองฟังทั้งหลายแต่รวงป่พุทญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามสมบูรณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี